บทที่สองใครคือผู้ที่ต้องบริหารเวลาแทานการตอบคำถามว่าใครคือผู้ที่ต้องบริหารเวลาผมขอเสนอความคิดในมุมกลับว่ามีคนประเภทเดียวเท่านั้นที่ไม่จําเป็นต้องบริหารเวลาคือคนที่เกลียดกลัวความสําเร็จและรักความล้มเหลวเป็นชีวิต จ, จิตใจสําหรับบุคคลประเภทตรงข้ามคือผู้ที่ปรารถนาความสําเร็จทุกคนล้วนจําเป็นต้องเรียนรู้จากการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพทั้งสิ้น ผมคิดว่ามนุษย์ทุกคนในโลกต่างเกิดมาพร้อมกับความปรารถนาที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคงไม่มีใครที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตอุทิศให้กับการวิ่งไล่ขวายคว้าความล้มเหลวอย่างเอาเป็นเอาตายเพียงแต่ในช่วงชีวิตของเขามีปัจจัยภายในและภายนอกปางประการที่ก่อรูปความล้มเหลวให้เกิดขึ้นโดยที่เขาไม่รู้ไม่ตระหนักหรือไม่มีสามารถมีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านั้นได้เมื่อผมพิจารณาชีวิตของหลายๆคนที่ผมรู้จัก ประกอบกับมีประสบการณ์ที่ได้สัมผัสชีวิตของคนต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมมาแล้วทั่วโลกผมพบว่าปัจจัยภายในประการหนึ่งที่ทําให้คนจํานวนไม่น้อยที่ปรารถนาประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตแต่กลับต้องกลายเป็นคนล้มเหลวในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆด้านก็คือลักษณะนิสัยส่วนตัวบางอย่างที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นความสําเร็จในชีวิตเราสามารถแบ่งคนทั่วๆไปออกเป็นสาประเภทได้ตามเกณฑ์ลักษณะนิสัยบางอย่าง นั่นคือนักคิดนักธรรมและนักอู้บุคคลเนื่องสาประเภทนี้ล้วนแต่จําเป็นต้องเรียนรู้การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพทั้งสิ้นบุคคลประเภทแรกนี้คือนักคิดลักษณะเด่นของเขาคือเป็นคนที่ชอบคิดชอบฝันชอบวางแผนฝันว่าอยากเป็นนั่นเป็นนี่ทํานั่นทนํานี่โครงการนั้นโครงการนี้จะสิ่งที่เขาคิดเขาฝันและวางแผนไว้ไม่เคยที่จะเป็นความจริงขึ้นมา และยังคงเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นหรือจับต้องไม่ได้เป็นสิ่งที่ยังคงล่องลอยในอากาศเพราะว่าเขาได้แต่ให้เวลากับความคิดความฝันแต่ไม่เคยให้เวลาจรงิจงจกับการทํางานและทําความฝันนั้นให้เป็นจริงเป็นดังคํากล่าวที่ว่าไม่มีฝันใดจะเป็นจริงได้จนกว่าเราจะตื่นขึ้นและทําความฝันนั้นให้เป็นความจริงตอนผมเป็นเด็กผมเคยฝันที่อยากจะเป็นหลายสิ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามประสาเด็กฝัอนอยากจะเป็นขาวบอย เป็นหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ไม่ช้าก็ลืมเลือนไปเพราะยังอยู่ในวัยแห่งความคิดฝันจินตนาการแต่เมื่อผมเติบโตขึ้นและได้เรียนรู้จักตัวเองและสังคมมากขึ้นผมก็มั่นใจว่าสิ่งที่ผมอยากจะเป็นอยากจะทำที่แท้จริงนั่นคืออะไรนั่นคือการเป็นคนที่มีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นผมจึงพยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นสภาวะปัญหาของสังคมปัญหาของคน หลักปรัชญาต่างๆผมอ่านและสะสมหนังสืออย่างมากมายถ้านับรวมจนถึงปัจจุบันก็คงมีมากกว่าหนึ่งหมื่นเล่มนอกจากนี้ผมยังได้ออกไปสัมผัสปัญหาของสังคมด้วยตัวเองตั้งแต่ยังอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทเพื่อจะสามารถไปสัมผัสปัญหาความยากจนของชาวชนบทได้อย่างแท้จริงผมเลือกเรียนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เพราะผมมีความคิดว่าหลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์จะช่วยให้ผมมองเห็นสภาวะสังคมในระดับมหาภาคได้อย่างครอบคลุมและชัดเจนเพราะเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องของระบบโครงสร้างและสังคมก็เป็นเรื่องของระบบโครงสร้างเช่นเดียวกันปัจจุบันผมได้มีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมระดับหนึ่งในฐานะของนักวิชาการที่มีผลงานบทความหนังสือและจัดงานสัมมนายอย่างสม่ำเสมอและได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อต่างๆที่ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาลักษณะชีวิตส่วนตัว ครอบครัวการบริหารงานตลอดจนถึงเรื่องเศรษฐกิจสังคมการศึกษาการเมืองผมเชื่อมั่นว่าผลงานหรือปรัชญาข้อคิดที่ผมได้นำเสนอสู่สังคมผ่านสื่อต่างๆนั้นจะมีส่วนในการกระตุ้นสังคมให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆไม่มากก็น้อยนั่นหมายถึงความใฝ่ฝันของผมได้เป็นความจริงในระดับหนึ่งแล้วและทั้งหมดนี้ย่อมมาจากการมุ่งมั่นทุ่มเทตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมา ถ้าผมเพียงแต่คิดฝันแต่ไม่ได้ลงมือลงแรงปฏิบัติอย่างจริงจังความฝันของผมก็ยังคงเป็นความฝันที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเช่นเดิมเป็นแน่หลายคนอาจคิดฝันที่จะเป็นแพทย์และต้องเริ่มต้นในการถามตัวเองเสียก่อนว่านี่คือความฝันที่แท้ จ, จริงของเราหรือไม่พ้าชชยก็ควรถามตัวเองต่อไปว่าและเราได้มุ่งมั่นทุ่มเทเวลาและหยาดเหงื่อแรงงานเพื่อปั้นความฝันให้เป็นจริงแล้วหรือยังเรามีความอุตสาหะภาคเพียร ในการอ่านตำรามากพอหรือยังถ้ายังก็ควรจะเริ่มต้นเสียตั้งแต่วันนี้ลงมือทำแล้วความสำเร็จจะตามมาหลายคนอาจจะฝันถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ถ้าไม่เริ่มต้นใช้เวลาศึกษาลู่ทางความเป็นไปได้จุดดีจุดด้อยสภาวะการแข่งขันโอกาสทางธุรกิจกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะใช้งบประมาณและอื่นๆ และเริ่มต้นทำตามแผนงานที่วางไว้อย่างทุ่มเทเอาใจใส่อย่างจริงจังเขาก็คงได้เป็นเจ้าของธุรกิจได้เพียงแต่ความฝันเท่านั้นแท้จริงการใช้เวลาในการคิดฝันและวางแผนอย่างรอบคอบเป็นสิ่งที่ดีแต่นักคิดควรจะให้เวลากับการลงมือปฏิบัติอย่างสมดุลและเพียงพอด้วยไม่ใช่ให้เวลากับการคิดฝันหรือวางแผนอย่างมากมายแต่กลับให้เวลากับการปฏิบัติเพียงน้อยนิดความฝันนั้นก็ยากที่จะสําเร็จได้อย่างสมบูรณ์ และเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักคิดที่เก็บความคิดฝันไว้เพียงแต่ในไขสมองหรือเก็บแผนงานไว้บนแผ่นกระดาษความฝันนั้นย่อมไม่มีโอกาสเป็นจริงได้เลยผมนึกถึงคากล่าวหนึ่งที่ให้ข้อคิดที่ดีว่าคนที่ประสบความสำเร็จนั้นคือคนที่ไม่เพียงแต่เพลิดเพลินชื่นชมกับความคิดของตนแต่ถลกแขนเสื้อลงลุยงานด้วยบุคคลประเภทที่สองมีลักษณะที่ตรงข้ามกับบุคคลประเภทแรกอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่บุคคลประเภทแรกชอบคิดมากกว่าทำบุคคลประเภทที่สองคือ น, นักทำกลับชอบทำมากกว่าคิดเขาเป็นคนที่มีพลังงานและความกระตือรือร้นสูงชอบที่จะเห็นงานต่างๆสำเร็จเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วเขาจึงไม่ยอมเสียเวลาเพื่อที่จะคิดควางแผนไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนลงมือปฏิบัติหลายครั้งจึงต้องพบกับความผิดพลาดล้มเหลว อ, อย่างน่าเสียดายอาจจะเปรียบได้กับชายคนหนึ่งที่ต้องตัดเกิ่งไม้เพื่อมาใช้งานพอคว้าเลื่อยได้ก็รีบ ขึ้นต้นไม้ทันทีครั้นหากิ่งเหม า, าะได้แล้วก็นั่งลงเริ่มต้นเลื้อยไม้อย่างขมีขมันโดยลืมคิดไปว่าตำแหน่งที่ตนนั่งนั้นเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่กว่าจะรู้ตัวก็ตกลงมานอนแอ่งแมงพร้อมกับกิ่งไม้นั้นเสียแล้วนั่นประแานที่เขาจะนั่งเลื้อยไมย้โดยหันหน้าออกจากลําต้นเขากลับนั่งหันหน้าเข้าหาลําต้นนั่นเองตัวอย่างข้างต้นอาจจะดูเป็นเรื่องตลก แต่หลายครั้งเราก็ทำเรื่องหน้าขันเช่นนี้ในชีวิตประจําวันของเราและการทํางานของเราเช่นกันบางคนอาจจะเคยซื้อตู้เสื้อผ้ากลับมาบ้านครั้นจะเอาเข้าห้องนอนกลับเอาเข้าไม่ได้เพราะว่าขนาดของตู้ใหญ่กว่ากรอบประตนูนั่นเพราะไม่ได้คิดและวัด ข, ดขนาดของประตูให้เรียบร้อยเสียก่อนบางคนลงทุนทําธุรกิจบางอย่างเงินทุนหลายร้อยล้านบาทโดยที่ไม่ได้คิดวางแผนงานต่างๆไว้อย่างรอบคอบการศึกษาสภาพตลาดโอกาสเสี่ยง และการหมุนเวียนของเงินทุนอย่างพอเพียงจึงต้องตกอยู่ในสภาพขาดทุนจนแทบล้มละลายในที่สุดในเรื่องของชีวิตก็เช่นกันบางคนทุ่มเทเวลาทั้งหมดกับการปีนป่ายบันไดความสําเร็จที่วัดค่าด้วยปริมาณเพียงทรัพย์สินเงินทองจนละเลยการดูแลเอาใจใส่สุขภาพและครอบครัวของตอนเองท้ายที่สุดก็ต้องล้มป่วยลงพร้อมๆกับการล่มสลายของชีวิตครอบครัวที่เป็นเช่นนั้นเพราะเขาเป็นนักธรรม ที่ไม่ได้ให้เวลากับการคิดใครียครวญถึงคุณค่าความหมายความสุขที่แท้จริงของชีวิตอย่างเพียงพอแทนที่จะเป็นผู้ประสบความสําเร็จในชีวิตจึงกลายเป็นผู้ล้มเหลวไปอย่างที่ไม่ควรจะเป็นความแตกต่างระหว่างความล้มเหลวและความสําเร็จบางครั้งอยู่ที่การทําสิ่งที่คิดว่าถูกกับสิ่งที่ทําถูกต้องอย่างแท้จริงผมรู้สึกประทับใจคํากล่าวนี้มากเพราะให้ข้อคิดที่ดีกับเราในการทําสิ่งต่างๆในชีวิตว่าทุกครั้งที่เราคิดจะทําสิ่งใด เราต้องมาถึงจุดที่มั่นใจว่าเราได้ให้เวลากับการคิดไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบครอบท่องแท้แล้วว่านั่นเป็นวิธีเป็นแนวทางเป็นหลักการเป็นแผนงานเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรจะทำอย่างแท้จริงเพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจหรือติดตามแก้ไขข้อผิดพลาดในภายหลังผมอยากจะฝากข้อคิดในเรื่องนี้ไว้ว่าคิดหลายๆครั้งแล้วทาให้สาเร็จในครั้งเดียว ดีกว่าคิดครั้งเดียวแล้วต้องมารือ้อและเริ่มต้นทาใหม่หลายๆครั้งนักอู้คำว่าอู้มีความหมายตามพจนานุกรมประการหนึ่งว่าทวงแกล้งทําให้เสร็จช้าลงฉะนั้นนักอู้จึงหมายถึงผู้เชี่ยวชาญในการทวงเวลามีความสามารถพิเศษในการทำงานที่ควรจะสำเร็จในระยะสั้นให้กลายเป็นสำเร็จในระยะเวลาที่ยืดยาวออกไปได้ งานที่ควรจะทำให้เสร็จภายในวันเดียวก็สามารถเตะถ่วงยืดเยื้อออกไปถึงสามวันได้อย่างสบายๆงานที่ควรจะเสร็จภายในหนึ่งเดือนก็กลายเป็นสามถึงสี่เดือนได้อย่างไม่ยากเย็นนักอู้คือผู้ที่ขาดความกระตือรือร้อนในการทำงานแต่เรียบพร้อมด้วยความเกลียดคร้านมีแรงจูงใจในการทำงานเพียงเพื่อแลกกับค่าจ้างเงินเดือนเท่านั้นลักษณะนิสัยส่วนตัวคือเป็นผู้ที่รักความสบายเกลียดกลัวการทำงานหนักรักที่จะพัก มากกว่าที่จะทำเขามักจะหาเรื่องเฉยๆออกจากการทำงานได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งวันเหยียบนั้งสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านบ้างแอบอ่านนิยายบ้างลุกขึ้นไปชงกาแฟบ้างเข้าองน้ำบ่อยครั้งครั้งละห้าถึงสิบนาทียกหูโทรศัพท์โทรไปหาคนนั้นคนนี้อยู่เป็นระยะๆะะแวะเวียนไปพูดคุยตามโต๊ะเพื่อนอยู่บ่อยๆปุ๊บยีบหลับคาต๊ะเป็นพักๆพักอาหารที่ยงนานกว่าที่กาหนด รวมแล้วรวมจาก8ชั่วโมงของการทํางานจริงๆทําได้เพียงแค่ 5-6 ชั่วโมงเท่านั้นซ้าร้ายบางคนอาจจะน้อยกว่านี้คือเพียงแค่ 4-5 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นจึงไม่น่าสงสัยเลยว่าบุคคลซึ่งเป็นนักอู้มักจะไม่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเพราะมีผลงานอยู่ในระดับเกณฑ์เฉลี่ยเท่านั้นไม่มีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้บริหาร จึงไม่ได้รับการสนับสนุนให้ก้าวหน้าขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นและเมื่ออู้มากๆบางรายอาจจะถึงกับได้รับเชิญจากบริษัทให้พักการออกไปนอนอู้ที่บ้านก็เป็นได้ในด้านของชีวิตแล้วนักอู้มักจะมีลักษณะชีวิตที่ปล่อยให้ล่องลอยไปตามกระแสน้ําแล้วแต่สายน้ําจะพัดพาชีวิตไปขาดเป้าหมายที่ชัดเจนขาดแรงจูงใจที่ดีในการดําเนินชีวิตจึงใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยไปวันๆฆ่าเวลาทิ้งด้วยการนั่งทอดหย สนเสเฮหากับเรื่องไร้สาระอยู่ทุกเมื่อเชื้อวันชีวิตจึงขาดแก่นสารเป็นที่พึ่งพาของใครไม่ได้ไม่เว้นแม้กระทั่งตัวเองเขาคือผู้ที่เชื้อเชิญความล้มเหลวให้มาเยือนชีวิตด้วยตัวของเขาเองผมได้กล่าวมาแล้วว่าคงไม่มีใครที่ปรารถนาจะเป็นผู้ล้มเหลวในชีวิตทุกคนไม่ว่าใครต่างก็มุ่งหมายความสําเร็จด้วยกันทั้งสิน้นผู้ที่เป็นนักอู้หรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นนักอู้ จึงยังไม่สายที่จะเริ่มปรับเปลี่ยนปรัชญาท่าทีในการมองชีวิตใหม่ค้นหาความหมายของชีวิตให้พบสร้างและคอยกระตุ้นแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตในการทํางานของตนอยู่เสมอกําหนดเป้าหมายที่มีคุณค่าต่อจิตใจของตนและต่อภาพสังคมโดยรวมแล้วมุ่งมั่นกระตือรือร้นบุกฟันฝ่าสู่เป้าหมายจนถึงที่สุดรางวัลแห่งความสําเร็จในชีวิตย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแท้จริงนักคิดนักธรรม นักอู้ท่านเป็นใครในวันนี้ไม่สำคัญเท่าท่านจะเป็นใครในวันหน้าเริ่มต้นตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของเวลาและพัฒนาตนจากนักคิดนักรรมนักอู้สู่การเป็นนักบริหารชีวิตหรือนักบริหารเวลาวันข้างหน้าท่านย่อมมีชื่อจารึกในทำเนียบของผู้ประสบความสาเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนครับ